แร้าทุกข์ทังพวกรวมรงมาหาเอกะทุ ก, ทท ก, ทกในปัจจุบันสอนให้รู้ทำเป็นจริงสอนให้ปัจจุบัิตามเป็นจริงสอนใหุ้ดพ้นตามเป็นจริงรุดพ้นจากความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดมีอยู่สี่อย่าง นักมโหส อ, อยู่โดยรอบสำคัญว่าเป็นของเที่ยงสำคัญว่าเป็นฉุกสำคัญว่าเป็นตัวตนสำคัญว่าเป็นของสวยของงามรนให้เห็นความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ราวนี้ออกกากกองทุกข์เหล่านี้วิธานวัตศีลวัตภาวนาวัตททำให้แจ้งในคันทะสันดา <c oughs> เนเทศไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็โคงมาหาผู้ฟัง ประเทศนี้อ๋อแยงเสียก่อนหลวงจุกิสแจกไปเรื่อยๆเจ้างบแผงไปพูดเรื่องสายนับสือพุทโธไม่ว่ารับบาปบาเพ็ญบุญธรรมโมทรไงไหว้ซึ่งระบบาปบำเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อระบบาปบำเพ็ญบุญมีความหมายอันเดียวกัน ถ้าเป็นบุคลาธิฐานก็เป็นละคนถ้าเป็นธรรมะที่ประสงค์จะปฏิบัติก็เป็นธรรมะอันเดียวกันแต่ภูมิของสาวกนั่นจะไม่เท่าทันเทียมถึงภูมิของพระสมมาธรพุเทเจ้าพอตามฐานันดรศักดิ์ของลูกศิษย์เขาสร้างบารมีไม่เหมือนกันพุทธาสีจำพวก สมมาสัมพุทธะจาพวกหนึ่งพระเจกับพุทธะจําพวกที่สองอรหันตาพุทธะจาพวกที่สามอารหันตาพุทธะมีทั้งสาวกสาวิกาด้วยพระนาคามีจําพวกที่สี่พระสักตาคามีจําพวกที่ห้า พระโสรดวันเป็นจำพวกที่หกจำพวกสาวกเป็นเมืองขึ้นของพระสมาพระพุทธเจ้านาช จ, จิตใจและความประพฤติพระพเจเตกท่านเป็นธรรมพิเศษพิเศษเฉพาะท่านทําไมได้สอนธรรมบุไดรัตะรู้แล้ว ถ้าถือเป็นพระเจริแล้วท่านก็ไปตาเรื่องของท่านไม่้ฝากคำสอนไว้เหตุไงเราจึงประรวัติพระพุทธศาสนาเพราะ เ, เหตุว่าคำสอนใดๆในใจโรกธาตมันเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพุทธศาสนาหมดไม่ขึ้นอยู่กับท่านพระรู ไม่ขึ้นอยู่ครับท่านเพรไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ครับท่านผพเชื่อไม่ขึ้นอยู่ครับท่านผพรไม่เชื่อความจริงไม่นิยมจากความจริงเหมือนเขยมทิศที่ไปทางทิศเหนืออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนและไม่รู้ตัวด้วยทิศเหนือก็ไม่ตรีตรานว่าเขยมทิศเป็นเมืองขึ้นของเราที่มาทางเราแต่ความจริงไม่นิจากความจริงในส่วนนี้ ก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นปนัญหาไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้เชื่อในทางลึกซึ่งก็ให้คำหนึ่งได้หลายทางนั่งให้น้องคอเมืองบางต่างๆให้โรงสูตมหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ ไ, ไดสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้น ไม่พูดอีกก็จึงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อไม่ละ ไ, ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ผู้ที่สงสัยพระพุทธศาสนาปฏิบัติพระพุทธศาสนายากมักผีก็ถือเทวดาก็ถืออืมเขาพูดอะไรก็ถือตามเรื่องเรียกว่าไม่มีหลักยังไม่แน่นแผนดิน าสองนักสองแสนสี่หมือนโยดเขาเอารุระเบิดปรมานูทำลายแตกพูดถึงว่าพุทธธรรมประสงค์แล้วไม่ยอมเชื่อเสียเลยแต่ไม้คัดค้านเขามองเห็นว่าจะเทศนาเอาเขาไม่ได้แล้วก็เลยนิ่งผู้ที่ไม่ถือว่าพุทธศาสนาไม่ต้องภาวนาดูก็ได้เพราะเขาแสดงออกมาเห็น ต่อแสดงให้เห็นภูมิจิตภูมิใจด้วยทําไมจึงมีผู้ถือพระพุทธศาสนาน่อยนะักเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นท้านานดอนศักของผู้ที่มีวาสนธรรมต่ำบารมียังต่ํำต้อยอยู่จะพยินดีในพระพุทธศาสนาผู้มีคิดใจสร้างบารมีเสียข้ามาแล้ว จึงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อเคารพรักพระพุทธศาสนาอยู่ในดวงขีตดวงใจของตนแล้วการปฏิบัติธรรมก็ไม่ลำบากปฏิบัติอันไหนก็ได้ตามสติกำลังของตน <c oughs> ผู้มีเชนห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ได้ยอย่างร่วงเชนห้าไม่ใช่ได้ อยากจะถือศาสนาอื่นไม่เสียดายอยากจะเล่นอ่าญมุขไม่เสียดายอยากจะขอดเวรท่านผู้ใดมีโกรธอยู่แต่ไม่ขอดเวรท่านผู้ใดถ้าเคยได้ทำผิดก็เขามาแต่พ่อกรอน้า ก, กนก็ให้เล่ากันไปซักถ้าเขามาก่อหมายก็ให้เรากันไปซักแต่เราโกรธอยู่ไม่ผูกโกรธ ไม่อปพนาฮะปกติวไว้แล้วไม่ค้าขายเครื่องอาหานไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ทั่วข้าก็เป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำมันไม่ค้าขายยาพิษถ้าน่องเหนือไปกว่านี้แล้วและไม่ใช่นายอยากจะคบเม็ดชั่วถ้าน่องเหนือไปกว่านี้แล้วไม่ใช่พระโสดาบัน ถ้ายังไม่ใช่พระสวดิบอันแล้วก็ยังไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สนิทย้ำเป็นไม้ลอยน้ำย้ำเป็นนุ่นปลิวไปตามลมย้ำเป็นว่าเชื้อขาดย้ำเป็นไม่มีที่พึ่งอันกเกษมเป็นมดไตขอบก็ต้องวนเวียนอยู่เป็นพายเรือในอ่าง หรือในแอง่งหรือเป็นพายเรือบนไม่มีทางออกยังไม่ได้ออกพอถึงพร ะ, ะรัาบาลแล้วสักท า, าคามีอนาคามีธนาหันก็หากจะเปิดประตูไปเองพระไปแวะซ้ายและขวาไม่ถอยหลังด้วยจเจริญข้าหรือเร็วก็ต้องไปตามการตามไปเวลาของของตน ไม่สงสัยว่าจะปไปทางอื่นถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาไม่เว้นจากอบายามุขไม่ยินดีในสิ้นห้าไม่ยินดีในถึงพระพุทธพระธรรมระสงฆ์จะให้ผีตัวไหนมายินดีนั่น <c oughs> ทุกวันเนี้อบายยมุข มีอยู่ทุกยมามย่ามีทุกอยู่ยอมหัวใจของสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงเรียกายาเพราะจิตใจต่ำเขาจะพยาย่ามันเกิดจากดินต่ําๆมนุษย์สมบัติพระบรมศาสนาสอนเติมภูมิแล้วคือให้เว้นจากอบายมุข ถ้ายังร่วงระเมิอดอบายจะมุกอยู่ก็ยังเอามนุษย์วิบัติมาไหว้ในหัวใจเป็นสารณงฆาชามิอยู่พุทธทางธรรมังสักครั้ ง, งสารณะฆาชามิเนี่เวทระบายจะมุกรุย้ยไม่ใช่ได้อยากร่วงสิ่งไหนที่ไม่ใช่ได้อยากร่วงสิ่นั้นก็ไม่เป็นทุกข์เป็นสุขหัวใจเหมือนน้าลายที่ยววนทิ้งแล้วไม่ใช่ได้อยากร่วงระเมิด มันหลวมทานเพลิงเมื่อขึ้นมาแล้วไม้ไส้ได้อยากจะตกลงไปอีกและไม้ไส้ไดยอยากร่วงระเมิดเช้นห้าจะภาวนาชีวันขี่คืนก็าตามจะเทศจนน้ำไหลไฟดับก็าตามถ้าไม้ไส้ไดยอยากร่วงระเมิดระบายจมุกอยากจะถือศาสนาอื่นอยากจะถือเลืกองดียามดีอยู่เวทมนตร์คนคาถาอยู่ยงคงกรพันก็ยังไม่ใช่สุภชิพ น, นู ยังเป็นพุทธชนคนหนาอยู่มีคติเป็นสองถ้าไม่นรกก็สวรรค์ออไม่ใชถ่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นรกก็สัตย์รลฉานเปรียบในสุรกายถ้าถึงว่าพูดพระธรรมประ ส, ะสงค์ยิ่งแล้วมีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์พรหมโลกไปตามฐานอันดอนสักของตนกรรมใดใครก่อ ก็คือจิตใจแต่และท่านละคนก่อขึ้นอา น, นิยธรรมมี ท, ทิโตนโร و. อา น, นิยธรรมคือทำอันเสื้อก็ตั้งอยู่ที่นอนแลชนนั่นเองเราเป็นเพียงชี่อบอกพระพุทธศาสนาเนื้นอหนงนอนก็ต้องนอนเองเนื้อน้ำเขาต้องดื่มเองเนื้อาหารเขต้องรับทานเองเราเป็นเพียงชีอบอกพวกท่านทั้งหลายเท่านั้นเราจะทำแทนก็ไม่ได้ พระบรมศาสนะทำคำสอนของเราแต่ระบริดระบาดนั่นเองเป็นคําสอนของพวกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงห่าประมาาเราจะละท่านทั้งหลายภายละถ้าหากว่ายังไม่บริบูรณ์ในคําสอนมนุษย์สมบัติก็ยังไม่บริบูรณ์สวรรค์สมบัติก็ยังไม่บริบูรณ์พรมสมบัติก็ยังไม่บริบูรณ์นิพพานสมบัติก็ยังไม่บริบูรณ์เราทาคตก็จะไม่เข้าไปในนิพพานเมื่อสิ่งเหล่านี้บริบูรณ์แล้วเราทศขาคต จึงยอมเข้าสู่พระ涅槃จึงลาพวกท่านทั้งหลายไปณเดียวนี้พระบรมศาส า, ศาสอนท่านทั้งหลายอย่าพมาาทำที่เราาข่าวดีแล้วนั่นเองเป็นศาสนาแทนท่านทั้งหลายนั่นคำสอนแต่ละวลาบัดยังเป็นของดีวิเศษอยู่ถ้าทำคำทางสอนอนุสาสนีปฏิหารคำสอนไปอาตจันย์ กรรมและผลของกรรมเมีอใครจะร่วงละเมิดในที่รับก็าตามในที่แจ้งก็าตามกรรมและผลของกรรมก็าตามถึงอยู่เหมือนหมาอะไรเนื้อทันเวลาใดก็กัดเวลานั้นเหมือนเงาตามตัวผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อพระพุทธศาสนานั่นเองผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือไม่เชื่อพระพุทธศาสนานั่นเอง พระพุทธศาสนาย่อมีหลายชั้นชั้นชุดท่ายพระพุทธศาสนาสอนเพื่อให้พ้นทุกข์นะว่าตาสงสารเบื้องต้นสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติแล้วนิพพานสมบัติอยู่ท้ายพระเป็นภูมิอันเดียวกันเพราะเป็นรากเงาอันเดียวกันรากเงาอันเดียวก็คือมนุษย์สมบัติงอกว่าเป็นสวรรค์สมบัติงอกว่าเป็นพรสมบัติงอกว่าเป็นนิพพานสมบัติอยู่ในตัว อุบาสก อ, อุบาสิกาพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่านอนใจนะถ้าเธอทั้งหลายอย่านอนใจเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังเมื่อเธอทั้งหลายนอนอยู่ในล้มฐานเพลิงหรือยังลุยฐานเพลิงอยู่ยังขึ้นไม่ได้ ก, ก็เป็นพระหุกกรร็เป็นพระหกกรรมกําเคยชินที่พวกเธอทั้งหลายสร้างมาท่านผู้ใดสวา่างกระจางใจแล้วก็รีบจะดับ ไฟในร่มฐานเพลิงหรือเรียกปีนขึ้นหนีจากร่มฐานเพลิงเพิงแก่เพิงเก็บเพิงตายม่นิยมชั้นวันณนะไม่นิยมการม่นิยมเวลาเขาจิตเขาใจของพวกเธอทั้งหลายอยู่ไม่มีกลางวานันกลางคืนเธอทั้งหลายไม่สกรปรกเธอทั้งหลายก็ไม่ได้อาบน้ำฉันใดก็ดีถ้าจิตของเธอทั้งหลายไม่สกรปรก ก็ไม่จำเป็นจะปฏิบัติสิทธรรมมีสิทธรรมเท่านั้นแหละจะล่างเธอจิตใจของพวกเธอให้หายสุขภกสัวมุมไปตามส่วนคนฆ่าของเหตุที่สร้างขึ้นเห็นทุกขณะเช่นเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ลมหายใจเข้าออกข้างเดียวเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาควบกันอยู่ด้วย ทำชั้งกลางทำชัน้นสูงนั่นเทโลเกแท่าหัวนาำะความรับไม่มีในโลกเรานึกอะไรเราก็เห็นอยู่เราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาแค่ไหนเราก็เห็นเราอยู่จะโกหกพกลมสักเพียงไหนก็ตามเราก็รู้ว่าเราโกหกพกลมอยู่เราจะพูดตรงสักเพียงไหนก็ตามก็รู้ว่าเราพูดตรงไปตรงมาอยู่ อาตชัอัตโนนาโถจนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองถ้าเธอทั้งหลายเป็นคนว่าบ้าเสียเจติติปิดมนุษย์เราตาขาคตข้อเทศเธอทั้งหลายไม่เข้าใจเธอทั้งหลายเป็นมนุษย์สมบัตเิเต็มภูมิแล้วและก็เป็นสวรรค์สมบัตเิเต็มภูมิอยู่ในตัวแล้วก็สามารถจะปฏิบัติภพสมบัติและนิพพานสมบัติได้อยู่ในตัวนั่นเองถ้าว่าทำคําสอนของทำคําสั่งสอนขอ ง, ของพระาถาคต มันเหลือไปใช้แล้วเราแต่ท้าก็ก็ไม่สอนพวกท่านทางหลายให้เสียเวลาเสียเวลาทั้งผู้สอนเสียเวลาทั้งผู้ฟังนี่เห็นว่าพวกท่านทางหลายเป็นส่วนมากไม่ใช่มนุษย์วิบัติไม่ใช่พรหมวิบัติไม่ใช่นิพพานวิบัติพราะมีจิตมีใจไม่เป็นบาปเสียชีวิตผิดมนุษย์และพวกเธอทั้งหลายก็ได้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วจึงได้มาเป็นมนุษย์ ทำเป็นโกกรคบาดค้มครองโรคสองอย่างวิธีปกครองโรคเราทะทัพทั้งประเทศท่านทั้งหลายฟังความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปนี่นี่ความละอายต่อบาปโอตบะสรรวงกลัวต่อบาปคำสองอย่างนี้มีอยู่ในใจของท่านผู้ใดแล้วอันนั้นแหละคือปกครองโรคเมื่อพกครองโรคอื่นไม่ได้ก็จงปกครองโรคใจของตัวนั้นเถิดนะ โรคภายนอกคือท่านผู้อื่นท่านอื่นโรคภายในคือหัวใจเราย่นลงมาฮะสี 48, 000, ่หมื่นแปดพันพัทธมคัญน่ะย่นลงมาหาใจเป็นเอกนิบาตสัใจไม่เป็นที่พึ่งของใจก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่พึ่งของท่านผู้ใดนอกจากกายไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของใจนอกจากกาก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่เบียดเบียนใจใจมีคนเป็นมหานมีโทดเป็นอนนัน พระเป็นหัวหน้าเขานั่นที่พาลาพันนายนกการคนพาลไม่ใช่คนหัวหน้าถ้าใจเป็นพาลก็ไม่ควรเอาเป็นหัวหน้าเราไม่ประพฤติตามใจทุกอย่างใจที่หนักไปในทางกามพระพิตกความติในทางกามพยาบาทพิตกความติไปในทางพยาบาทมีหิ้งสาวพิตกความติไปในทางเบียดเบียนเราตะขาคตก็ไม่ได้ไปด้วยกับมันเพราะมันไม่มีประโยชน์สติปัญญาของเราเหนือขิดเหนือใจไป ไม่ทำตามอําเปิดใจพระบรมศาตราสอนอยู่ไปมีมกลาวันลคืนคล้ายๆคําว่ามาเถิดโลกล้านเอ๋ยข้า ม, มาฝังนี่สักฝังนั่นมีแต่เดือดความดือร้อนเป็นที่วุ่นวายคัดข้องฝังทางนี้มันมีวุ่นวายคัดข้องข้ามฝังทุกซัะมาหาเราจะท้าคตนี่คล้ายๆครับว่าร้องเรียกอยู่ไม่มีกลวันกลงคืนนะคสอนจากพระระ บ, รบาล นโมพระโสดาบันนโมพระสัคาคามีนโมพระอนาคามีนโมพระรหันนโมพระโสดาบันเป็นนโมที่ไม่หลงทางนโมพระสัคาคามีเป็นนโมที่ละเอียดไปกว่านั้นพระนโมแปลว่าน้อมน้อมนโมพระอนาคามีเป็นนโมที่ละกามารมได้แล้วนโมพระโสดาบันนโมที่ไม่ล่วงละเมิดเส้นห้าไม่ใช่ได้จากล่วงละเมิดเส้นห้า ไม่ได้เสียดายอยากจะถือสาตารณอื่นไม่เสียายอยากจะถือเวทบนคนนาคาถาไม่เสียดายอยากจะถือเหล็กดียามดีสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอยากจะถือจะเคารัสิ่งนั้นมันก็มายาก <c oughs> สิ่งไหนที่มันถือว่าจะเป็นประโยชน์อยู่สิ่งนั้นมันก็ละได้ยากทําไมมันจึงถืออย่างนั้นเพราะมันเป็น มิจฉาทิฏฐิยังไม่เป็นสมาธิิความเห็นยังไม่ชอบ <c oughs> เรามีแต่ของดีๆมาต้อนพวกท่านทั้งนั้นเพราะเราสร้างบารมีมาสี่สงไข่แสนมหากราบแล้วแล้วได้ของดีมาเล่าให้พวกท่านฟังและเราเข้าประพฤติได้อย่างนั้นด้วยไม่ใช่พูดแต่ปากแต่ลมเท่านั้น น่ามองไม่มองเห็นอันใดจะเจริญแก่โลกทั้งสามในโลกทั้งสามยาพากันขี้โอจงพากันปฏิบัติตามสติกําลังของตนไม่มากก็ต้องน้อยอันไม่ปฏิบัติเลยอย่าได้มีแค่พักต้านทั้งหลายอยาผ่ามาดพระรบรมศาสตราสอนในเวลาจะเข้าสู่พระนิพพานสิ่งไหนที่พระบรมาศาสตร า, รร า, รรารรไม่สอนมีไหมไม่มีฆราวาสก็สอนตรงตรง ในระหว่างผัวเมียเพระวรมศาสนราสนาสอนด้วยย่อเครื่องว่าเป็นภรรยายด้วยเม็ดโดมินด้วยมาประพฤติร่วงใจด้วยหมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวส่วนภรรยายจัดการงานดีสอองเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีไม่ประพฤติล่วงใจผัว ร, รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ขยันไม่เกยนข้านใานกิจการทางบัวนั่น อันใดที่วุฟซศาสนาไม่สอนไม่มีเลยสอนในระหว่างนายจ้างกับ่าวก็สอนหนึ่งจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังสองให้อาหารในรางวันสามพยาบาลในเวลาเก็บใกล้สี่แจกของมีรถแปบกปลาดให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยส่วนคนงานลุกขึ้นทำการงานก่อนนายเลิกการงานดีหลังนายถือเอาตอแต่ของเตี นายให้ทำการงานนด้ดีขึ้นนำคุณของนายไปสนเสริญในที่นั้นนั้นส่วนลูกก็พ่อก็แม่พรทธรรศาลาก็าสอนหนึ่งให้กระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาเจนภาวิทยาสี่หาภรรยาที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัย หน้าที่ของลูกท่านได้เรียกมาแล้วเรียกท่านตอบทมกิจธุระของท่านดำรงวงศ์ตะกูลประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มร ด, ดกเมื่อท่านรองรับไปแล้วทำบุนอุทิศาท่านในระหว่างสมณราชีพามพระบรมสารคดีพระสอนสอนขราวาสอนอ ย, ย่างย่มหนึ่งด้วยกายกรรม คือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา2อด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสโดยโมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสีด้วยความเป็นผู้ไม่ประตูไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยท่าอ ม, มิตรสสารสมณห้พระรามได้รับคํารลงเชิญ น, นี่แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานกหก 1. ข้ามมันกระทำมันชั่วสอให้ตั้งอะไรบ้างสาม อนุเคะด้วยน้ำใจอันงามซีทจริงที่ฟังแล้วให้แก่อนุเคราะ์ด้วยองให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังทําสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่ฮกบอกทางสวรรค์ให้ในระหว่างครบมิตรพระบรมศาสนาขอสอนมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตรแนบประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสีชจำพวกนี้เป็นมิตรแท้คนครบหนึ่งมิตรมีอุปการามีลักษณะสีหนึ่งป้องกันเพื่อนผู้มาณแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วเ ม, มืมมม่อมีภัยเอาไปที่พึ่งความนักได้เมื่อมีธุรช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมสุบร่วมทุกมีลักษณะสีขยายความรักแก่เพื่อนปิดความรักของเพื่อนไม่แพ้งฝ่ายไม่ละทิ้งในยามวิบัติเมื่ออาชี ชีวิตก็อานสระแทนได้มิตรแนบประโยชน์มีลักษณัตสีใ้ากระทําความชั่วให้ตั้งเงินในความดีอนุเคราะห์ด้วยใ น, นใจอันงามบอกทางสว่างให้มิตรมีความรักใคร่มีลักษนัตสีทุกข์กระทุกด้วยสุกข์สุกด้วยโตเถียงคนที่พูดที่เตือนเพื่อนรับรองคนพูดสนับสนุนเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรค บ, บร้อสอนมดพระบรมสาสีราสิ่งที่ไม่สอนไม่มี สำหรับกองชีพนะันถ้าเธอทั้งหลายไม่บวชเธอทั้งหลก็จงปฏิบัติอย่างนี้พระโสดวันจะคาถาคามีอนาคามีอ า, า, า, อาหารเธอทั้งหลายก็สามารถเปลี่ยนได้พระบรมศาสด า, าไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่พระภิกษุสามเณรจรึงนี้นที่พระองค์ไม่ได้สอนไม่มีเลยสอนไปทางรัฐผู้จะปฏิบัติไปทางรัฐผู้บามีแก่ล้ามาแล้ว ลมเข้าหายใจเข้าหายใจออกให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพ่อขมกลมหายใจเข้าออกพอเห็นเป็นแต่สภาวารู้่าเห็นพ่อขมกลมหายใจเข้าออกพระ อ, อาณาพรนาสติดึงกรรมฐ า, านทั้งหลายมาอยู่ได้ตรเสียขาก็รวมลงมาในลมเข้าลมออกเหมวนกันนั่นสิ้นสมาธิปัญญานี่ผู้จะไปทางรัฐผู้เลื่อมาสในพุทธศาสนา ก็คือผู้สรางบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ยินดีในการลดการพ้นคณะจิเดียวยังยินดียังมีดีกว่าผู้อยากท่องเที่ยวในวัฏฏะท่องสารตั้ง้านล่านคณะจิตนั่นทำไมจึงไม่ยินดีในวัฏฏะทงสารทั้งครัวเพราะเเห็นว่าไม่เชี่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเต็มโลกยัดเยียดอยู่ท่านพูดว่า ก็มากออกมาจากใจข้าน้อยก็น้อยลงมาหาใจย่ดลงมาหาใจพูดแปดหมื่นทีพระธรรมขันธ์ก็ย่นลงมาหาใจขันธ์ลงมาหาใจในปัจจุบันปัจจุบันนสเสีปัจจุบันนสมาธิปัจจุบันัปัญญาฉันทะพอใจรักใช่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทย์เพียนมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้คิดตะเอาใจพักไผ่อนในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไอ้ น, นี่เทศสังคหะลงมาแล้วที่ขยายออกก็เชือกเส้นเดียวนั่นเอง ที่ย่นลงมาก็คือเชือกเส้นเดียวนั่นเองสาวเข้ามาอย่างนี้ก็เชือกเดียงขยายออกเป็นต้นยาวเหยียดก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองย่นลงมาก็หาที่วางไม่ได้อัปมาโนทโธย่นลงมาหาเอกคุณก็หาที่วางไม่ได้เพราะมากนักพระปัญญาคุณพระก ร, ะรุณาคุณพระกัะุยาณที่คุณพระพระวิสุทธที่คุณก็ย่นลงมาในวัจิวันแต่ก็ไม่มีที่วางเพราะมากนัก จะขยายออกก็ไม่มีที่สุดสิ้นแต่ท้าวโรควัคซีโจะผกครองกันวิธีไหนหนอจะพกคองกันวิธีไหนหนอข้าพเจ้าก็รู้จักกฎหมายข้อนั้นข้นี้แต่ว่ากฎของวาบของอุลไม่มีอยู่ในหัวใจจะตั้งไม่ขีนล้ล้านมันก็ไม่อยู่มันจึงโค้งมาจนถึง ทำให้โรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปแล้วค้อนไม้ก้นหมูกก้นพักก้อนพวกก็ตั้งมาอยู่ผู้คลองทําให้นําคํานึงก้อนวัตถีพึ่งพิงเองอาศัยทำความช่วยในใจแจ้างมาได้ก็ไปตามในที่รับนั่นนการพระครองบ้านประเทศชาติบ้านเมืองถ้าไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาแล้ว มันก็ไปไม่รอดในระหว่างบุคคล ก, ก็เหมือนกันเจรยญจบพระไตรวิฎกก็ตามแต่ว่าจิตใจไม่เป็นธรรมมันก็ไปไม่รอดรักษาตัวไม่คุ้มอีกเหมือนกันนั่นในเวลานี้บ้านเมืองเป็นจราจนสมัยเขาว่าได้เพราะมีศาสนาอื่นๆลัทธิอื่นๆมาแทรกแสงพระพุทธศ า, าสานาเวทอเนกปริยายเราดีก็เห็นเราในในคราวนี้ท่านผู้อื่น จะเรื่อมใสในพุทธศาสนาหรือไม่ก็จะเห็นท่านผู้ อ, อื่นในคราวนี้ต่างข้อต่างเข้าใจเห็นตัวเองถ้าโอเป็นนักโยน้อมเข้ามาพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงเิียบด้วยเมื่อพี่นัดลงแล้วเราจะยอยู่ได้หรือพี่ น, นัดลงพิ่นัดออก ไปจากไหนพิานาฏออกไปจากใจอยู่ยองยั่งยืนยงก็อยู่ที่ไหนยืนยองอยู่ที่ใจแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองนั่นพระพุทธศาสนาพระาษาษาาพุทธศ า, า, ศา ส, าาสาานาธรรมศาสนาอยู่ที่หัวใจของคนแล้วเป็นวัดคัดจมูกพูดก็ไม่จะออกมาเป็นมาอลไรวันนี้มันเปลี่ยนฟัง ใ, งใครยอะก่าฟังไหนอยู่บว่ครับนี่เยอะกว่ฟังไหนชาติเยอะครับ เอาไร้ซื้อได้บัดเอาเอาหน้อยๆได้ครับคือเข้าไปเห็ดเชืาเที่ยนี่ะแล้วทากขาสันมือมือเลื่อนบันจะเอาเอาน่อยเดี๋ยวนึงเพราะถากสิโพกมันออกเข้ามารักษาพระพุทธศาสนาเสีผีตัวใดมารักษาศาสนาอยู่บมื่อยู่เมื่อยฝ่ามืองแียนอยู่ในคิดในใจของเขานี่เขาก็หยับยําก็หยียบยําิดใจของเขาน่ะผู้มั่เย็นดีในพระพุทธศาสนาก็คือบู้่วเย็นดีในคิดในใจของเจ้าของะ ผู้เบียดเบียนพระพุทธศาสนาก็คือเบียดเบียนจิตใจจของนั่นเองฟังออกไหมอยุธยาฟังออกครับก็กนึกฮะผมเคยเปนวัดม่าวเคยวอ่าเคยวแล้วเคยเปนนักธรรมไหมไม่เคยเพราะจบปวดได้น้อย่้อแต่เคยปนเวัดมาีอคณเชื่อคุณเชื่อกับว่าแล้ว คนเชื ö, mêmes, <Elena> ่องครับธรรมะวางแล้วกรรมฐานแต่ละวัฏว right ิบาดส่งต่อพระนิพพานหมดนโมพระสรวบันนโมสัพะทาคาเมียนโมพระอนาคามคามีนนโมพระลพันนโมพระลพนนโมแฝงว่านอบน้อมนโมพระรหันนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายเรียกว่าเรียนนโมจบพระลพัน์ พุทธังธรรมังสังคังพระรหันต์ก็เรียนจบแล้วพุทโธแปลว่าทรงไห้ซึ่งไม่มาเกิดแก่เกิดตายและไม่มีกิเลสพุทโธแปลว่าลูกลูกกิเลสทั้งหลายตื่นจากกิเลสทั้งหลายแล้วพัพุทโธเป็นผู้ทัศลุเองในจิตในใจธโมทรงไห้ซึ่งไม่มาเกิดแก่เกิดตายไม่มีกิเลสสังโฆปฏิบัติเพื่อพ้นทุก ในวัตราสองสารอันไม่มีเครดิตมีความหมายอันเดียวกันถึงจะเป็นบุคคลก็าตามเป็นบุคคลาธิฐานก็าตามถ้าย่อลงมาเขาเป็นธรรมาธรมาธิฐานอันเดียวกันหลงอะไรทำไมท่านจึงให้ภาวนา พิจาณหนังหุ่มอยู่ได้รอบพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่เนี่ยหนังหุ่มอยู่ได้รอบเพราะเหตุว่าเราหลงหลงหนังหุ่มอยู่ได้รอบว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นของสุขว่าเป็นของตัวตนว่าเป็นของสวยงามถ้าเราพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราก็ข้ามทะเลหลงไปแล้ว บางท่านบอกว่าหลวง ป, ปู่หลวง ป, ปู่นี่ฉันภาวานาข้ามเวทนาไม่ได้เออถ้าสำคัญว่าตนเป็นเวทนาเวทนาเป็นตนมันก็ข้ามไม่ได้ถ้าไม่สำคัญว่าตนเป็นเวทนาไม่สำคัญว่าเวทนาเป็นตนมันก็ข้ามอยู่ในตัวณนะที่นั้นเองนี่ฉันทำจิตแท้ว่างไม่ได้นะหลวงปู่เออ ถ้าสำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ข้ามจิดไม่ได้ถ้าไม่สัมพันญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ข้ามอยู่ณที่นั้นเองเพราะมันมีอุปทานอยู่ที่นั้นเช่นนั้นพระบรลพัสสัจจาจึงยืนยันในธรรมชั้นสูงว่าเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อานาคตตามเป็นจริงของอานาคตเรารู้ปัจจุบันก็ตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสาม เราไม่มีอุปทาน ใ, นใดๆเลยเป็นแต่สักว่ารู้เป็นสักว่าเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นวิญญาณปฏิสติของเราจึงไม่มีเบื้องบนเราก็รู้แล้วเบื้องกลางเราก็รู้แล้วเบื้องต่าเราก็รู้แล้วปลาตัวเดียวนั่นเองทางหัวปลาเราก็รู้แล้วตัวที่กลางตัวปลานั้นเราก็รู้แล้วหางมันเราก็รู้แล้ว แต่เราไม่ติดอยู่ในหัวและกลางและหางเรารู้ตามเป็นจริงของของมันแล้วเราจึงข้ามโลกไปสัข้ามความหลงด้วยความไม่หลงข้ามความลืมตัวลืมใจลืมทำด้วยความไม่ลืมตัวลืมใจลืมทำข้ามความยินดีในโลกด้วยความไม่ยินดีในโลกเห็นภายในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่เราก็ดับเพลินในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่ นั่นคือตัวศีล น, นั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญาควาสตเมื่อใดเห็นจำทั้งหลายไม่เที่ยงชัดเป็นทุกข์ชัดไม่ใช่ตัวตนชัดเมื่อนั้นย่อมนายในทุกนายความหลงที่ไปหลงทุกข์นั่นเองนั่นนั่นแหละทางแห่งวิสุทธิเธอต้องการไปทางรักก็ไปซะเมื่อผู้ต้องการไปทางโค้ง ทำไมยังต e ้องการไปทางโคกเพราะบาลมีไม <IV _> ่ยังไม่แก่กล้าถ้าบาลมีแก่กล้ามาเนี่ยเขต้องไปทางรัฐบารมีสร้างมาหลายพ่อหลายชาติเนี่ยก็ต้องไปทางรัฐต้องพิจาณาทุกเป็นอารมณ์ต้องกวามลมหายใจเขาออกต้องพิจารณาอนิจจังเป็นอารมณ์ต้องความลมหายใจเขาออกต้องพิจนาอนัตตาเป็นอารมณ์ต้อมกวามลมหายใจเขาออกก็มีความหมายอันเดียวกัน ไ ด, ได้ในนรกล้วนอันนี้จังิงได้ในนรกล้วนทุกขงังได้ในนรกล้วนอนาตาอย่าสงสัยแรงนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเธอจงรู้ทำเป็นจริงซักเมื่อเธอรู้ทำเป็นจริงตอนนั้นความหลงตอนนั้นก็หายไปไม่ได้มาสั่งลาเหมือนเราลืมตาขึ้นข้าพเจ้าเป็นมืดท่านเป็นผู้เห็นมาแล้วข้าพเจ้าจะลาท่านไปละไม่ละว่าเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้า เหตุเืมตาผลก็เห็นเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุฟังชัดผลก็ฟังชัดเหตุพิจารณาถูกตอนใดๆผลตอนนั้นก็ถูกตอนนั้นๆไม่อยู่ห่างกันพอเก้าชั่วรัตน์ในเมืองดียหรอให้ฉันมาผลนิพพานจึงมีอยู่ทุกการทุกเวลาเหตุพืช ผลข้องเหตุผลข้องพืชกรรมผลข้องกรรมมีความหมายอันเดียวกันในทางดีก็ไปตามดีนะครชั่วก็ไปตามชั่วให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาอ๋อมนุษย์โลกเทวโลกสัตว์โลกโลกที่มีวิญญาณโลกที่ไม่มีวิญญาณโลกย่นโลกลงมาจะเป็นสองซสังขารโลก คือสังขารที่มีใจครองสังขารที่มัมีใจครองก็จัดเป็นโลกผลกันโลกโลกสิบหกโลกหกเมรุโลกเทวโลกคมมะโลกสัตวโลกโอกาโลกย่นลงมาเป็นย่นลงมาเป็นเป็นหนึ่งซะสังขาราปรมาสุขา ย่อดลงมาเป็นทังขานโลกทั้งขานเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกเป็นทุกอย่างยิ่งเมื่อเห็นชัดแล้วโลกประเต็มไปด้วยเอกาโลกทีนี้ก็ย่นศีลสมาธิลงมาเหมือนกันย่นลงมาเป็นหนึ่งศีลคือตัดศีลอยในปัจจุบันสมาธิย่นลงมาในปัจจุบันปัญญารอย่อรอบรูในปัจจุบัน ก็ทันกับความหลงทีนี้เมื่อ ย, นกกยน่นโรคก็ยน่นศีลยนลกก่ยนย่นสมาธิลงมาเมื่อไม่ย่นโรคก็ไม่ย่นศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาย่นลงมาในใจเจ้ขาในปัจจุบันก็สิ้นความสงสัยนะเอ้าเรื่องใหม่มีอยู่ที่ไหนเรื่องใหม่ตื่นขึ้นมาเขาเรื่องของตาของหูของจมูกของเลี้ยของกายของกายทรัพย์ทย่องเที่ยวอยู่ในที่นี้นี่ย่นขยายออกเป็นหก ถ้าขยายออกเป็น3ามก็กายวาจาจใจอดีตคืออะไรคือกายวาจาจใจที่ล่วงไปอนาคตคืออะไรกายวาจาจใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกายวาจาจใจที่กําลังเป็นอยู่นั่นถ้าเป็นสถ้าว่าเป็น2อดีตกายวาจาจใจที่ล่วงไปแล้วกายวาจาจใจที่ยังไม่มาถึงกายวายใจที่วาจาจใจที่กําลังเป็นอยู่ย้อนเวลาเป็น2ย้อนเวลาเป็นึ่งใจล่วงไปแล้วใจที่ยังไม่มาถึงใจที่กําลังเป็นอยู่เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแต่สลายไปเหมือนกัน คําพูดแต่และวาาัฏฏะก็ย่อมเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนแต่สลายไปเหมือนกันพูดใหม่อีกก็เป็นเรื่องใหม่ก็เป็นเรื่องเก่าวนเวียนอยู่อย่างนั้นเธอทั้งหลายจงรู้ใจทำไปจริงสักอย่าไปยึดไปถือจะยึดถือก็ยึดถือไม่ได้ก็คล้ายกับกำลมวางมือลงก็ไม่เห็นนั่นน่นลมผ่านไปก็เหมือนกันมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่โค้งมาเป็นอนาคตอีกลมภายนอกอารมณ์ภายในก็เหมือนกันผ่านไปผ่านไปไม่มาอีก เน้อขึ้นอีกก็เกิดขึ้นซึ่งหน้าสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารก็หนักสังขารนั้นดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับไปจุบันในปัจจุบันอยู่นันั้นเองคำพูดในปัจจุบันก็ล่วงไปล่วงไปความนื้อขึ้นในปัจจุบันก็ล่วงไปล่วงไปนั่นคืออนิจจ์อนาตย์ก็คือทุกอนาตย์ก็คืออนัตตาอนาตย์อันเดียวกันเธอทั้งหลายอยู่ตามปจริงซักเธอทั้งหลายจะ ข้ามความหลงของตอนไปนั่นถ้าไม่รู้ทำไม่จริงเธอทั้งหลายจะหลงอุบายของตอนเองจะหยอกเงาตนเองจนถึงวันตายนั่นธรรมชาติสูงอันนีะไรสะดุ้งไหมถ้าใครสะดุ้งอย่างนี่เรียกว่าสติไม่ดีละถ้าเข่งมาแล้วขยันนี่เรียกว่าสติไม่ดี นักตื่นตนกตกใจเหมือนเนื้อสมังในป่าคลอดของเขาไม่เจริญพระสาลีบุตรลมหายใจเข้าออกนี่ท่านผู้ใดเจริญดีแล้วกายและจิตของท่านผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวก็มาานแต่และอย่างละอย่างในพระไตรปิฎกเป็นเมืองขึ้นของลมหายใจเข้าออกกั้งนั้น ลมหายใจเข้าออกมีความแก่เจ็บตายอยู่ทุกอริยาบทของลมหายใจเข้าออกนมีโรคโกรธหลงทุกลมหายใจเข้าออกมีพระพุทธพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะดึงกรรมฐานต่ตางๆมาอยู่ได้นะโอ้แล้วก็นั่งเอียงอยู่นี่นี่นั่งเอียงอย่างนี้เขาผ่านนะ ถ้าสงสัยกรรมฐานถ้าสงสัยว่าพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ปั้นไอตีนี่นี่นี่ตัวอะไรไวะขนาดนั้นหรอก น, นี่นี่ตัวาศาสนาผู้ปฏิบัติก็เป็นใจผู้ที่จะร่วงละเมิดก็เป็นใจผู้จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติดีหรือชั่วขวายใจตาหูจมูกเล้นกายใจมันไม่มาแย่งรับ มันไม่มาแยกปัดด้วยใช่ให้มันไปมันก็ไปใช่ให้มันอยู่มันก็อยู่เตอเมื่อเวลามันชำรุดทัพพังทาด้วยคนวิการจะใช่ให้มันพูดมันก็พูดไม่ได้จะใช่ให้มันเดินมันก็เดินไม่ได้ก็มีแต่ใจเป็นที่พึ่งของไจเท่านั้นไกลจะตายมาพุทโธพุทโธซักพุทโธยังไง แต่เวลามีชีวิตยอยู่ก็ยังไม่ภาวนาตายแล้วจึงจะมาบอกมาภาวนามันก็ภาวนาไม่เป็นนั่นว่าว่าว่ า, วาเออนี่นี่นี่นี่นี่นี่ แล้วพระเจเข้าออก<ม>ก็เป็นน่านปฏิบัติหลักพิปัจ น, นาสัมปทาอยู่ที่ไหนสัมปท า, าอยู่ที่ไหนพิปัฒ น, นาก็อยู่ที่นั่นเออไปก้อนเบโตัไปก้อนเบาผมจะไปราชการที่นครพนมเออไปซะอันนี้หลายกับว่าหานก็หานลงในใจแล้วว่าฮอนก็หอนลงในใจแล้หานก็หานลงในทางดี ความสุขหารลงในทางสุขว่างอยู่งใจเข้าหันเข้าหลงอย่างเข้ากระหลงห้างกระดูเข้าเข้ากระหลงยูนี่มันไม่อยู่งซีแนวของบ่เทียงเข้าหลงว่ามันเป็นของเทียงของเป็นทุกเข้าหลงว่าเป็นของสุกของว่าเป็นตัวเป็นตนเข้ากระหลงว่าเป็นตัวเป็นตนของบ่สวยบางงาม ขาวเขาลงว่าเป็นขอเสวยข้อ ง, งามก็คือนนังห่มอยู่หยรอบนี่แหละพระพุทธยอกให้พิจนาว่าพระเชษเอาไปพระิพ า, านน้าว่าพระเชษเอาไปพระิพานนําพิจนาให้รู้ตามเป็นจริงสี่เอาความรู้ตามเป็นจริงอ่ะว่าจะหาหอบดีน้าไฟรบไปพระิพ า, านน้ำว่าจะหาหอมอันนี้จังทุกขั้งอาณต า, าไปพระิพานน้ สิ่งนั้นเป็นคำสอนของพุทธศาสนาสิ่งใดเห็นภัยในวาจาสงสารสิ่งนั้นเป็นคาสอนของพุทธศาสนาสิ่งใดที่เกิดสังเวชสลดใจที่ตนได้เคยหลงมาสิ่งนั้นก็เป็นคำสอนของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ถ้าเยอะทยานในโลกสิ่งนั้น ไม่เป็นคำสอนของพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เ็ดหลาบในวัฏสงสารสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ไม่ไหวใจในพระพุทธศาสนในวัฏสงสารสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพุทธศาสนา สิ่งใดที่เห็นว่าในวัดตาสงสารนี่เต็ไมไปด้วยกองทุกข์ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้แต่สลายสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ยินดีในเกิดแก่เก็บตายสิ่งนั้นก็ไม่เป็นคำสอนของพุทธศาสนาสิ่งใดที่เคล็ดลาบในเกิดแก่เก็บตายสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพุทธศาสนาเคล็ดลาบแบบเย็น แยบแยบคลายด้วยสีตัดสินลงในที่ใจสินห้าถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ใจสินแปดก็เหมือนกั น, กนสินสองรอยเจ็ดก็ตามทมแท้มันมีมากเปรื อ, อ, อกของทำนอกของธทรมีมากทมแท้แล้วมันมีมาก เอกชิตเอาธรรมอยู่ที่ใดนั่นคือคําสอนในพุทธศาสนารูกส ม, มุติตามันเจิงของส ม, มุติโลกเว ม, มุดตามไปเจริงของเว ม, มตุติแล้วมาติดข้องอยู่ในเงินทั้งสองการปฏิบัติเพื่อถึงส ม, มุติและวว ม, มุติ ก็มีแต่ศีลเป็นรังต้นสมาธิปัญญาทานให้ทานเพื่อภัยพระนิพพานเป็นโลกุระอุตราทานรักศีลศาสนเพื่อพระนิพพานเป็นโลคุตระศีลทำสา ม, มาธิเพื่อพระนิพพานเรียกว่าโลคกกุตระสมาธิเจตนาปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเป็นเจตนาโลคกกุตระ นอกจากนั้นเป็นเจตนาโลกีเอาได้เหนื่อยแล้ ว, ว อ, อ้นะอเหนื่อยแล้วอขายอีกซะด้วย ทำรูปทำเหรียญอยู่ยงคงกระพันไม่มีในปฏิพทาของหลวงปู่มั่นชาวพุทธมา ท, ทําทีหลังเลขก็ดีเหรียญก็ดีเลขขาบัตรเบอร์ชาวพุทธทั้งหลายมาทําภายหลังหลวงปู่มั่นสมัยหลวงปู่มั่นไม่มีเลยท่านบอกว่าจะเอารูปเราให้เขาไปบูชาก็ลูกของเราเป็นลูก้โลู เอาพูดทธคำสงฆ์บูชาท่านพูดอย่างนั้นร่าผมันพูดง่ายๆไม่ได้พูดเหมือนเรามันพวกเราทํา ม, มุนอยู่ที่ไหนก็ไปฉลองใจอยู่ที่นั้นทําบาปอยู่ที่ไหนก็ไปฉลองใจอยู่ที่นั้นท่านพูดอย่างนั้น <c oughs> พูดง่ายๆปฏิบัติง่ายๆหลวงปูมันไม่ได้พูดอ้อมค้อมเหมือนพวกเราเราความดีก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าใจทําดีก็ความดีก็อยู่ที่ใจ ถ้าใจทำาชื่อความเชื่อขาอยู่ที่ใจท่านพูดอย่างนี no, <not. S 2> mm ้ไม่เล้ทำหลักเหรียญยันแม่เลยทำ มีโอกาสไี้มากราบราท่านประธานองคูติ อ, อ, อบายะมุกใครอยากจะเห็นไฟไหม้โรคก็คืออับายชะมุกนั่นเองอไฟไหม้โรคคืออะไรคืออับายะมุกบบกราบอกโูไปใช่น้องหนะักไปไปัต บางคาวท่านบางคราวข้อท่านนั้นข้อเทศเดียวเหยียบบางคราวก็ย่นลงมาท่าสั้นย่นลงมาท่าสั้นยนลงมาอย่างไรจงทําจิตให้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของผู้ที่เจ้ากั้งายย่นลงมาย่อลงมาเป็นหนึ่งจงทําจิตให้บันเทิงในการละชั่วทําดี เป็นคำสอนของผู้ที่เจา้าจ้างนะย่นลงมาการกิจกรมสามวันสี่คำสีมวนกับสามไม่ข้าสามแม่รับทรัพย์แม่บอกผู้พิตารณาแม่พูดเทจแม่พูดสองเทียแม่พูดคำหยาบแม่พูดเ่อเจอ ตัว้ยเงี้้ังไงม้มางย่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยีอยี่ยี่ยี่ยี่กี่ย่ยยย่ เธอทั้งหลายคงพิจารณาทำเป็นจริงและเธอทั้งหลายจะเสี่งความสงสัยทำเป็นจริงน่าจะข้ามความหลงทำเป็นจริงของตนด้วยน่าปัญญา <c oughs> การสวีชีวิต <c oughs> ต่อพระก็ะทํามรสองค์อยู่ทุกเมื่อและเรื่องไดไม่ได้ใกพอดีเพราะเป็นค้าเป็นท้าวแล้วตัวท้าธรรมร ะ, ระรสองค์อยู่ทุกเมื่อตา้าวสงฆ์รพานนจากทุกนวัเจ้าสงสารอนี่ยุเมื่อความดีคนดีทำง่าย ความดีคนชั่วทํำในยากความชอบคนชั่วทํำในง่ายความชอบคนดีทํำในยากความดีคนชั่วทํำในง่ายความชอบคนชั่วทํำในง่ายความชอบคนดีทํำในยากอันเดียวกันยากทำง่ายก็ขึ้นอยู่กับ ความประสงคง์ความร่วงทุกนะครับความเพียรเย็นแล้วช่วยทาดีเป็นคำสอนของพูที่ยอดหลายคนเราใจถึงทุกท่านแก่ใจถึงในทางดี มแมลงวันใจถึงในทางมดพูดเมลงพึ่งใจถึงในทางเกสรดอกไม้ในโลกปัญญาเสพติดทุกอย่างมาแมรงวันปัญญาเสพติดมดพูดมแมลงพึ่งปัญญาเสพติดเกสรดอกไม้พวกธามาปัญญาเสพติดในบ้าน โคสมุนเป็นยาเสพติตในมุมรัศดรวันจักระตาคามีอนาคังเป็นยาเสพติดพ้นจากเจดียเป็นเอกประเทศพระหานเป็นยาเสพติดไม่มาแ <c oughs> ก่แก่ก็ตาอีกเป็นวัดร้ายวัน ผมเลี้ยงขนมปูมัเกี่ยวเลยคือมมีแก่ตัดชิมฮะอืมผมแบ่งคือข้อดีข้อข้อขอะไรนะ <laughs> ไม่ก็เออมั้งผมลงขมิ้นยวสั้นขมันสั้นมาไม่เหลียวว่ะใจผมคือแล้ยวไม่ได้ตอนนี้สุขภาพของพวกยังไงครับก็พอวันเทาอยู่บ้าง อื่นๆมันเป็นเครื่องเรือนบูดมาเองพอจะกินกันอยู่ใช่ๆค่อยเป็นตัวเองพวกว่าพึ่งทรทมก็ท ำ, ท ำ, ทำต้องยกรักษาพวกเบียดเยียนทำทำก็ไม่รักษาทำเองที่เขาจ่ยแต่ละท่านแต่ละคนไม่มีสิทธิ์อยู่กับผ้าเหลือง ไม่มีสิทธิอยู่กับพอโรูนมีสิทธิที่รวงใจของปัวพืชไม่เราไปยังชั้นวรรณะเลยขราวาสก็สามารถจะถึงข้อสดารันตลอดตั้งสกทาคามีานาคาคารีและอรหรัน ับสอนของพุทธศาสนาสอนมีหลักสองอย่างสองนต้องต้องต้นไม่ลับอย่างเดียวต้องทำเกียตให้บันเทิงในการละชัว่ว์ทำดีเป็นคำสอนของพุทเจ้าสังหายต้องมีความละอายต่อบาปมีกลัวต่อบาป เป็นคำสอนของพูะเจ้าทั้งไร้เอตและเป็นเครื่องปกครองหัวใจด้วยเป็นเครื่องปกครองตนด้วยท่านผู้อื่นด้วยทำอะไรยังไม่นั่นนี่ยเป็นเช่นนี้ มาาไม่ต่างอะไรวันนี้ฮึไม่มีทุกเกิดละหัสลูกเกิดแต่ความไม่รับทุกเกิดแต่ใจซับบริโภคทุกเกิดแต่ความไม่เป็นหนี่เป็นศินทุกเกิดแต่ทํางานที่ภาติชาโทษถ้าในโลกนี้มีความสุขพระทหารก็ข้ามโลกมาได้เพราะมันไม่มีสุขพระหทหารจะข้ามความหลงของตนไป ส, สัก ่มสมบัติมทุทธิยมเราก็ชมาดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอ น, นิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปลผลน่าแต่สลายไม่ะะฉลาดฉลังที่จะสร้างขึ้นไม่ะะฉลาดฉลังที่จะเกิดเกิดมาแล้วขอมีเก่ไม่เก็บ ม, มีตายสัพยุติอยู่สุกตยาบทความเขียวหยาหน้ใจเข้าออกเรียนเอเดียบทความตาย ในตัร่างกายเป็นอาหารของกายกินอาหารดื่มอาหารเป็นอาหารของกายทั้งทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารสี่ก็เรียนการอาหารอาหารคือกข้าวพสฒนาอาหารคือธรรมบัตมโนสัจเจสนอาหารอาหารคือมโนสัจเจสนาเจตนา วิญญาณอาหารอคือวิญญาณจักจักรุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตวิญญาณวิญญาณทางหูชิวหวิญญาณวิญญาณทางลิ้นใจยะวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณวิญญาณทางใจวิญญาณเหล่านี้เนี่เกิดขึ้นได้แปะพวันระดับไปท่านผพ้นไปแล้ว ทูกอดีตตามไปเจองของอดีตลูกอนาคตตามไปเจองของอนาคตลูกปัจจุบันตามไปเจองของปัจจุบันแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่นทั้งสามแต่อายสายปัจจุบันเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นตัวพุทธธรรมสงเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นมักขะผักนะเป็นมักศีลมักสมาธิมักภาวนา มักแปลว่าหนทางเป็นหนทางศีลสมาธิปัญญาคือหัวใจในปัจจุบันปัญญายะปณิสุทธิ์ชจิตบุคคลจะที่สุดธิ์ก็เพราะปัญญาบุคคลจะสิ้นความสงสัยก็เพราะปัญญาบุคคลจะข้ามทะเลหลงก็เพระปัญญาเท่านั้นข้ามด้วยเครื่องบินมันข้ามไม่ได้ ข้ามรออื่นก็ข้ามไม่ได้นอกจากปัญญาจะข้ามความหลงเท่านั้นสว่างจะข้ามมืดมืดจะข้ามสว่างอีกเหมือนกันมืดและสว่างที่มีอยู่ในโลกมันเป็นหมัดแรกมัดเดี๋ยวนี้ความสว่างชนะมืดตอนข้ามลงมามืดก็ชนะความสว่างไม่เป็นอย่างนั้น ตอนพระพุทธศาสนาถ้าสว่างตอนไหนๆก็สว่างเรื่อยไปไม่คืนมาสงสัยอีกผู้อยากจะถึงพระโสดาบันไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ได้อยากฆ่าสัตว์ไม่ใช่ได้อยากจะรับครับไม่ใช่ไายอยากจะพูดผิดจะพูดผิดในกวามไม่ใช่ได้รวงรบับชนท่าโดยใจความนั่นคือพระโสดาบัน ไม่ใช่ได้อย่างแบบเวียนท่านผู้อื่นนั่งภูมิภระโสดาวันโกรธอยู่แต่ไม่เบียนท่านผู้อื่นมึงเถอะไม่มีในหรเใจถ้าเคยได้ทํำผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วไปสักถ้าหากว่าเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วไปสักเราจะไม่จองเวรใครนั่นภูมิภาคโซดาบันจะไม่เชื่ออยู่โยงคงคงกระพันด้วย จะไม่เชื่อเรื่องดียามดีด้วยสวัสดีปีใหม่ก็าตามว่าตามสาวโรกเฉยแต่เพราะว่าใกล้จะตายกว่าพี่กายนี้ไม่เชื่อมงคนลตื่นข่าวไม่เชื่อกรรมเออเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่ใช่ได้อยากล่งอบาลยมุขด้วยพระโสดาบันไม่ใช่ได้อยากจะล่วงเส้นท่า ไม่เสียดายอยากจะนึกเวียดเบียนในท่านคนพูอื่นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเลยเพราะไม่มีอุปนิ h หผูกกฎไว้มึงเถิดไม่มีในท่านในฉะนั้นท่านจึงสามารถเปิดประตูพระนิพพานได้แล้วจะเข้าไปสู่พระสกทาคามีธนาคามีทาหันเป็นลําดับไปไม่คอยหลังไม่แวะซ้ายและขวาไม่ฝอยหลังด้วยจะเดินชาหรือเร็ว ก็มันเละไส้แต่ขวาถึงพระโสดาบันแล้วเกิดอีกชาติเดียวเอกราชีอันนี้ถ้าโกรังพรละ ก, ก็เกิดอีกสามชาติถ้าสตักคาตูประละ ก, ก็เกิดอีกเจ็ดชาติก็เขาา้าถู่พระนิพพานเร่องพระอนาค า, ม, า, ม, า, า, า, คามีเกิดอีกสามชาติเร่องพระอนาคามีเกิดอีกชาติเดียวก็มี เกิดอีกฆ่าชาติก็มีแต่ละเอียละเอียดละเอียดไปกว่าพระะาาพระตัวสถาบันละเิียดละเอียดไปกว่าสาักาคาทางนี้ส่วนพระรหันไม่มีชาติในพบเลยที่ลมปานเมื่อใดก็เข้าสู่วันพานเมื่อดใดจำไมจึงอาบดามพราะร่างกายสกรปรก ทำไมจึงมีสิ่งธรรมรักษาพระจิตใจสกปรกถ้าจิตใจไม่มีสิ่ธรรมของพระธรรมาละพระพุทธเจ้าจิตใจก็สวกปรกมากคำว่าขอความเป็นธรรมจะขอกับจําซัมอะไรจะขอจากศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรก็ต้องขอจากศาสนาพุทธถ้าเราทําเป็นธรรมแล้วจะขอทาใหม่ไม่ต้องขอกับใคร เราทำให้ท่านทำแล้วจะขอจา ก, ากท่านผู้ใดท่านก็ให้ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทําไปแล้วมันเป็นอดีตนอกจากตั้งหน้าทําใหม่เท่านั้นลใครในโลกนี้มันผิดทั้งนั้นความผิดก็เป็นยาวิเศษเป็นเหตุให้เฉลี่ยลำทุกเป็นยาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหนายโลกผู้จะเป็นพระรหัน์ ก็ามาจากคนชั่วนั่นเองผู้ที่เป็นคนดีก็ามาจากคนชั่วผู้ที่ทาชั่วก็ามาจากคนดีก็มีความหมายอันเดียวกันอรจาริอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็ここคือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองนอกจากใจไม่มีอันไดจะเป็นที่พึ่งของใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะเบียดเบียนใจพระบรมศรรษษาสดาก็บอกว่า ศาสนะของเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นเหมือนกันเหมือนกันเพราะพระผู้เป็นเจ้าใจนั่นเองสร้างความดีขึ้นถ้าพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างความชัว่วตอนไหนความเชื่อตอนนั่นก็มาหาพระผู้เป็นเจ้าใจอยู่นั่นเองถ้าปฏิเสธไปให้ตาหูจมูกเลี้ยตายมันก็ไม่รับคำดีก็สรองใจคำเชั่วก็สรองใจเหมือนกันหรือสนองใจเหมือนกัน ธรรมบุคู่อายุก็คือธรรมบุญเป็นคู่ครับใจนั่นเองคืออายุบุญของใจนั่นเองทําบาปลงไปก็ต่ออายุบาปของใจนั่นอภิษฐรรสาสอนอย่างนั้นเพระผู้เป็นเจ้าเพราะพู้เป็นเจ้าจิตก็ะผู้เป็นเจ้าใจของใครเขามันสร้างขึ้นเราสถาพศกข้อสร้างขึ้นแต่เพิ่ไม่ได้เป็นแต่เพียงขี้บอกนิ้วลองก็ต้องนอนเองนิ้วน้ําก็ต้องดื่เออดมเอง เราสถาปัตย์ทำแทนเราสรางไม่ได้นะบาปตัวบอทระอาตัวปอสะกดไม่ได้อยู่ในตัวบอทร่อาตัวปอะกดอยู่ที่หัวใจมนุษย์ท่ามนุษย์ทำบุญก็เหมือนกันไม่ได้อยู่ในมอสรุยอผู้หญิงสะกดดีก็ไม่ได้อยู่ที่ดอชะอี ด, ดีอยู่ดีที่จิตใจนั่นเองคิดเหมือนนายกายเหมือนบาว แต่จิตจะบังคับกายได้ทุกเวลาก็าไม่ได้มันก็ฝืนเวลามันป่วยหนักถ้าด้น้ำใส่ลมไม่บริบูรณ์ลุกเถิดลุกเกิดเกียมเถิลุกมันลุกไม่ได้นั่นมันก็ฝื น, นเดินมันก็เดินไม่ได้นั่งมันก็นั่งไม่ได้นอนมันพลิกข้างพลิกหน้าพิกหลังก็พิกไม่ได้เพราะมันป่วยหนักแล้ว พราะดินน so uh huh. ั่ไฟลมมันปริบูกระมันมันก็ไปไม่ได้เหมือนรถถ้าขาดถ้าขาดท่าใดท่าหนึ่งแล้วก็ไปไม่ได้ถ้าขาดท่าลมรถลมก็เพรถเข้าไปไม่ได้ถ้าขาดท่าไฟรถก็ไปไม่ได้ถ้าขาดท่าดินสึงไดสิ่งหนึ่งที่เหล็กมันหักหรือมันคดหรือเปลาของมันขาดอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้พระยาคิตราชจะไปตีรถเขียงเขียงเขียเขียงมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันชั้นใดก็ดี เมื่อท่านของเราพิ้วยการมากแล้วพญาคิตราชจะไปบอกว่าลูกเถิดดื่มน้ําเถิดจะเกินก็เกินจะมาได้มันก็เกินไม่ได้เหมือนกันนะนฉะนั้นจึงขัดภาวนาในเวลาที่จวนจะตายขัดไว้แต่เมื่อมีชีวิตอยู่เมื่อเวลาจะเข้าสู่สงครามหรือจะหัดยิงปืนมันก็ไม่คันเขานั่นมันต้องหัดไว้ก่อน ทั้นใดก็ดีการภาวนาก็เหมือนกันในเวลาใกล้จะตายต้องภาวนาเตรียมตัวเออมาขอเชิญขอส่งการุณามาเช็ดสวารหนักสวารเบาให้ด้วยพอถ่ายอุจาระแล้วอันนี้ไม่สำคัญเชิญน้ำมาให้ดื่มด้วยอาหารมาให้ กลืนด้วยให้เชี่ยวด้วยเอาาหาร เ, เลยเล้วมาก็บอกไม่ได้เพราะ่ันลมไม่อำํำนวยเพราะไม่แข็งเลยก็มีแต่ก็ใจเป็นที่พึ่งใจเท่านั้นเลยเมื่อพิจารณาถูกก็ถูกพิจารณาไปทางเ็ด ต, นะต็ลงสู่นรกเยคติห้ามีอยู่ใกล้จะตายมาปรากฏ เห็นแสงไฟยังมาทําทิฏเกียดติกายไปทางอื่นก็ทิ้นลมปาณอันนั้นไปตกนรกเวลาใกล้จะตายก็เห็นฝ่าไม้และลาทานและหุนทางยังไปทํานิศทาไปทางอื่นก็ทิ้นลมปานในเวลานั้นก็ไปเกิดเป็นทัศนทิศฐานในเวลาใกล้จะตาย ไปเห็นที่มืดมนอนทการยังไม่ทันพิกจิตไปทางอื่นก็เส้นลมปาณในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรตเวลาใกล้จะตายปรากฏว่าไปเห็นคันมารดาแล้วยังไปทันพิจิตไปทางอื่นนั่นก็ไปเกิดในคันม า, นารดาใกล้จะตายไปเห็นวิมานไปเห็นเทวบุตรเทวรา แล้วปรสสินลมปัาในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวาดาอยู่ในสวงสวรรค์ส่วนพระลหัน์ม่ได้เป็นอย่างนั้นใกล้จะตายมาพิจารณาเห็นสายของตนแล้วมาเต็มไปด้วยดินน้ำไฟรมหรือของปฏิปุณทขโาโคขั้งหนึ่งแล้วหรือว่าเป็นของมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเว้าละชิดหนึ่งแล้วก็พิ มองดูอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เลื่อมใสเลยไม่ยินดีในอดีตที่ร่วงมาไม่ยินดีในอนาคตที่ยังไม่มาถึงไม่ยินดีในปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่แรี ว, ว่าข้ามโลกทั้งสามไปแล้วก็สิ้นลมพานนะคะนั่นก็เข้าสู่พนิพพานไปรักนะไม่มาเกิดอีกพระพุทธศาสนาและเอียดละอวมากเหตุฉะนั้นจึงหัดภาวนาไว้ บาปมันมีบุญมันมีประจําโลกดูมันเป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าโอ้มันเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่มรรคผลจะพ่านก็เป็นของเก่าเลยเอ้าเราพิจารณาดูดู้็ที่เขาถือว่าไม่มีบาปมีบุญเข้าไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้เหมือนกัน พอรู้ตัวเขาก็ส า, ายบาย่ายค่ําไปสักนั่นแต่กระเจิเงินไปแล้วน่ะพวกไหนที่พวกเธอไม่ไม่มีบาปไม่บุญเราก็คงจะรู้ได้ใช่ไหมเ<ม>ขาก็เขาจะเป็นเจ้าโลกแล้วพวกมาเจอมาไม่มีบาปไม่บุญคือพวกรัสเซียแต่ตอนเราก็เกรงเขาอยู่ว่าพวกนี้แหละจะจะเป็นเจ้าโลกไอ้ที่แท่เขาเป็นเจ้าขี้ทุกข์ใช่ไหมนั่น รูปูนะการภาวนาเลยจําเป็นไหมครับว่าเด็กต้องนั่งภาวนาเราจะอยู่ในไม่กยู่ในภาวนาก็ได้ถูโถเมื่อเรานึกเรานึกไปทางตั่วก็เราไม่ได้ครับสมาธินึกไปนี่แล้วนึกไปเวลาไหนมันก็ไปเนี่ยเราจะไปหาเวลาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ทันกับเวลานอนไว้ขอว่านอนไว้รับรับแล้วขอแล้ไป นอนภาวนาหลับคากันเลยหครับรู้ว่าป่ามันไม่ดีทำไมมนุษย์เราถึงแบกบาดันุกตักกตก น, นอเออมันยังรู้ไม่ชัดเพราะมันรู้ตามสัญญาความ จ, จําเฉยๆเมื่อมันรู้ชัดแล้วมันก็ไม่กล้าทําละทั้งที่รู้อยู่ว่าจะบาด ก, ก็ยังทำอยู่ แต่ว่ามันรู้ตามความจํามาไม่ใช่รู้รู้ในมโนธาตุจริงรู้ตามความจําเฉยๆถ้ารู้ในมาในมโนธาตุจริงเนี่ยบาปนี่ถ้าสัตว์รักทาประพฤติในกรมหรืออะไรอันหนึ่งนี่มันเป็นเวรเป็นภัยริ่งถ้ามันเชื่อลงอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นพระสสดิวันที่นี่มันจําได้มาพูดเฉยๆ <c oughs> มันไม่เห็นใน ใ, นใจของมันมันไม่เป็นประจักสิทธิไม่ได้เห็นในส่วนตัว ใช่นำลายอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นของประโยชน์แล้วเราบวนทิ้งแล้วแล้วก็ไม่ใช่ได้อยักจะเอาคืนมาก็ไม่หน่าใจถ้าเห็นบาปว่ามันเป็นของบาชัดจริงๆมีเวีนมีใครอย่างนี้มันก็ไม่ค่าทํานุนแผนเพลิงก็เหมือนกันมันเห็นว่าเป็นของนอนจริงๆมันก็ไม่ใช่ลายอยักลงไปลุยนั่นที่มันเห็นตามคนพูดมายึดใจเพราะมันไม่เห็นมันไม่เป็นปัญญาซะ มันเป็นสุตะมยปัญญาฟังมามเฉยมันต้องกินตามมยปัญญาภาวนามยปัญญาอีกถ้าเห็นชัดในตนแล้วมันก็ลงเอยไม่ยอมไม่ยอมทําแล้วอย่างอย่างปัญญาโม่ม่อย่างกระผมเนีอยากจะถามเรื่องนึงหลวงปู่อย่างสมมตว่าฆ่าสัตว์มันเป็นบาปใช่ไหมคนลังจะฆ่าสัตว์กินมันอยู่ทุกวันเลไมมันเป็นอย่างนั้นตนน้นยังพวกที่ฆ่าเขายังไม่เห็นโทษเขาเอาฆ่ า, าสิ รู้อยู่ว่าบาป bon แต่ก็จเป็นต้อง่าเพราะว่าค่าจะยิ่งยุ่งเอยเออถ้เขาเห็นเขายังไม่ถึงสูเปอร์จัลโนถึงสูเปอร์จันโนแล้วไม่ทําละทําไม่ได้ยุ่งมากัดอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนี้แหละไม่มีก็สติมีกว่ากันสติมากกว่ากันการฆ่าสัตว์มันมีมันมีเจตนาะ หนึ่งรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสยู่สองพยายามจะค่าสามฆ่าให้ตายตามความพยายามความรดยองสามการค่าสัตว์รักทับตรงมัคใจรู้ว่าจะมีเจา้าของของแหนอยู่พยายามรัก พองรงานมาจากั้งกัดจินมั้งไม่อะไร่ร้อะอ้โหแล้้กกแล้วก็็็็้ลลวก็ก็ <Yeah. S 2> บวีบ น, บนเว่นเวีนเข็นถึงเงื่อนว่าไหนเบียวียนเอาไห้ที่ปล<ะ>ูกก่อนเยอะฮะอ๋อต้องซือโรกที่ทำไดใครก่อก็คือจิตใจนั่นเองก่อขล้น นักซือคิดไม่ใช่เขาเด็กเขโง่เนี่เขาหลอกดูไม่มวยเขาหลอกดูไม่มวยของผักบัจจิบัชชาเพื่อนวัดนั่นพี่ชนะไปยังไรวัดนี่พี่ชนาไปยังไรวนวันได้พี่ชนาถึกคิดเขาอยู่ในหะัวใจเขาขเขาโวมาก ก็เป็นการยังเป็นการคาไฮน์เขาจะมีที่เขาวิญญาณของคุณเก็งมากมีคุณคือการผูกเขาหาชินน้ำหนักคาไฮน์า้ำหนักจะถูกด้วยได้เขาหูจักขวบพระะได้หรอผาพระจิตรัสถือกูถือเขาหูจักได้หรด้ไหมนักมวยเอกเขาต้องเข้าใบคล็อกบางสกคนที่เขาหูจักวันเนาะแล้เขาหาชิ้นน้ำนักนักมวเอกสุดอันนะ ก็แบบผู้วิจารณ์มวยกันเยอือลอย่างไรหมอในเพลงได้ชื่อเรื่องกับพวเาะนเขาบางนเขาโง่เลยเขาาจะไปหนาเดียวเนี่ยนี่ปฏิปทาอพุทธาพิเศษกรีซื้อหลกซื้อก้ามกรีเรียเรีเรดืเด้ากรีบอกั่วนนันวนนี้กรีเขาหลอกบังผู้วายปฏิป ท, ปทาของพระเนี่นะแล้ใใจเขาเนี่ยเขาจเพาเนี่เขาข ว่ามึงเขาจะออกมาพูดวัานั่งทานอย่างนั้นไม่ถูกว่าท่านเขาเปจะคายบอกสร้างว่าแนี้ไม่ใช่หรอซึ่ า, า, ารคาลัยยังกาาลยกก็อนทีเมื่อวันข้าต่อไปนี่ก็ไปบอกพูอะไโลกทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์มีคนหมายอันเดียวกันโลกทิพย์ใจทิพย์รำทิพย์โลกปาฏิหาร พระธรรมสัพพุทธเจ้าเป็นปฏิหารทั้งบุรุกิเลสพระน้มตาขี้าทบเป็นปฏิหารออกจากโลกแมงวัดเป็นปฏิหารทั้งกินมูด ค, คูดแม่ครูเป็นปฏิหารทั้งกินเศษอนดอกไม้แมันก็อ้างว่าประชาธิปไตยบ้านแมงวัดมันก็อ้างว่าประชาธิปไตยบ้านมันก็บอกว่าหลกทริปของทริ มันถูกสำรับแ่งวันแล้วมันของวัตถูกกับสำรับัมงคูนมงเฟืองคือพระ อ, องค์ว่าให้พระทุกขิ่นพระทุกขิ้นประเด็นเนี้เก้าจะของหมดมาแล้ว เมื่เขาจะขล้อกับเป็นบวชเป็นนั่งขาวล้มทางรายเศร้าจเสด็จตรุษีขาวบดมันดีสําหรับเธอแต่มันไม่ดีสําหรับสักปราชญ์โมฆะบุรุษโมฆะบุรุษด้วยครับทำเชืรากล่าวไปดีแล้วสําหรับที่บันเท่าลากะเธอเอาไปบวกกันซักวันโมฆะบุรุษทำเชื้อราเก่าวไปสําหรับ นา้บันเทาโทษสะโมหะเธาออกกับไปบวกซะเพราะนั้นมุะคามูลุ่ไปนะดีสำหรับเธอบริสําสำหรับรังปานะเพลื่นว่าเห็นอย่างมันลวงไปแล้วมันเอาขึ้นได้บ่ว่าเพื่อเป็นประโยชน์แกบุคคลในอนาคตและเป็นชคกคำวัตถนด้วยพระอุตถ้ายีาาาา่ยิ่งกาคือกันยิ่งกาเรียกระทุนยิ่งกาเรียญกาตาย ตื่เสียได้คำว่าเจาเก็ได้นั่นเ่งความบาบกฮ้ยบาดบเาบาดทุกการีลยอนยิงเรีนเนี่ยยิ่งเรียนเนดินตายยิ่งเลียนเนี่ยวันน้ยิ่งตั้งยังไงมันตายเลยยิ่งร้องเบิ้งกระสุนก็ชุนยิ่งชุนยางเข้าเนี่ยเที่ยคือไม่ต้องเป็นขั้นเป็นสายเคยเห็นตัวกระสุนเล่าอเดอาสะพอนไม่ใช่โรคซ้อนอะ ถูถูกก็ถูกมึงอาออกมันใช่รึมงเออพ็ออกกระเถิกกรแมนทะนูทนุทนุกแมนอย่างนี้ดึงสายบางสีไปนะถกมันกรท่านมันรบถูกถูกมานกระดกที่มันเบลแหลมแบบนี้นะหน้าไม่เออหนาไม่เออถามีไม่จะว่าโดนมึงก็ตายเบลแหลมเลยจะว่ามัตายนาเก่งนั่นน่ะนาไม่นาเก่ะที่ท่านนี้เขาเรียน่าเก่งที่นี่แท้จริงท่าน รับผังการไอ้ือหน้าไม้แต่โน้นนะแต่มันไม่ดีสำหรับนักป่าเลยดีกันเมื่อกี้สามสา ม, ามุูว่าเหว่าเนี่ยสัตปางควมันมัมนมีตัวเนื่ อ, ง, องมากกับมากทีปัจจุบันมีมีนั่บอกมีชื่จะเลยว่าจะกกีามุกูเร่สันติมาทำว่ามีภาพปุญญ่ยยี่น คือว่าเนว่อทราบฟงกอนว่าที่มีครบ่กพันอย่างมากีกรรมิงมากเจ้ากนมีวสีใส่ชาญมีเอ็บดนี่มันเป็นเป็นไปนั่นใส่บดเอขาลูกฉันเป็นว่าแบบนี้เป็นวัดหีต้องว่าคิอว่าเมื่อทราบฟังกนมันที่มี่่งผูกพันอยู่แต่ว่ามาชาีสีใส่เ็บดขั้นพัดเป็นวัดรหานนก็ใส่เมดก็พัดเป็นพุทธสนต์ูมันขยันใส่พระท่าดมันขยันนั่มอยู่เก่าพระอนาคามีมันยันนั่อยู่ ตามเยอะนอกจากจีนนี่บ้านไหนอกจากพราหนคือพ้เขาสู้พนิพนะนพรากํากระทำเพระท่านเอแล้วว่าอโหสิกรรกรรให้ผลทําแล้แล้วคือบุกคเท่าเพชรเพชร่แล้วพ้นนี้ออกจากนอกประเทศสักท่นนี่หากินท้าห้อยบเห็นกระทำความผิดไปคดีนั้นก็เป็นโมฆาไปสักท่า อขอโอกันอย่างหนึ่งคือว่ายัางยมีเผาผู้ใหญ่ก็เป็นงง น, นะนิยมิเป็นขี้เป็นอย่างเี้ยแต่ว่านานรุ่เขาเอามาเผาเป็นเป็นลูกเป็นแต่ว่าซักคือว่าอาจจะผมคนจะปวยไงตา ง, างามาปาเป็นลูกเป็นพลังเพิ่มากกเพิ่จะหายทมงเงินเองเองไรยังไงพิิตหลายๆอย่า ง, ยายงนั่งคนนีของนอนอยู่เครัยของภาคพืพ้น เราคนให้เอาขึ้นมาให้รักษาตัวนี่มันมีปัญหากรับทางนี้เน่ยอที่พักก็เพิ่นผมยัยงผู้ใชื่อมิง่งรับเอ้อชี้เป็นมิ่งครับมาเหลวแล้ว่นเอาขึ้นมาพักของคนนี้มันก็ไ่ได้เลยแล้วคนเอาแล้วคนไม่ได้ยุ่งของอะไงรกันขนาด น, นั้นเลยม่ได้ยุ่องขอ ง, งนั้ยุ่งขอ ง, งเอื่นครับผมมันของวัตถุขนาดอีกต่อหายุสาระต่อหยุ่งคนอื่น ก็ว่าต้องชนะกว่าคนว่าเจ็บป่วยนี่ก็นายที่ไม่ยอมราบแล้วว่าให้มาพักรักษาอยู่ในห้องคนมันมันก็ชา่อฟางอะไี่เข้าใจนั่นซือแล้วซื้อโรงพยาบาลคนเทศอะไรทแต่ผมก็คิดคือแบบผู้ป่วยคนเจ็ป่วยไม่ยอมรบต้องมารักษาห้องคนมันเมื่อเทนคนที่รักษาเองในสมมติมันปริยาคนไม่เหมอนี่มันไม่ติดว่าบัน่ตดหวัดโรพยาบาลมี แด็กเป็นคนละเอียดดวยแล้วลงมีวานยู่ไก่งอยู่ไก่เหมืนกันอาบ่ถึงกิโลอืเลยมันถามผู้อาวุโสพิดบอว่าเสียงมันกิดมง่ามดแล้วพีทบอกหนึ่งสองมันถ้าเหมือผู้บัญช่างดีน่าเกลียมโอยมันตอนลรกเธอพดมันก็บพีทลอยพักตัวอุ้ยักตแก่รแล้วเพิไปนอนหอมตะลวเพิร์ายเป็นนอนหมดท่ามาานที่เน้งค่าเพิมาเพิจะไปบอกเขาหว่าน นี่พระเยอะเหลือเกินนี่พระยอ่เหลกจิงรู้เอบางามบง้ามบ้เสื่รองขยาบานีอยู่คือผมจะนกแบบุว่านะแต่ว่าเพิงเป็นบุญอยนะับเป็น่งใหญ่เลยป็นนาคือเพิ่งเห็นเลยคือเพิ่งเคยถามาชิกลายๆแต่ว่าคุณไม่เห็นสิมันตป็นเด็กเลยมาถามูน่ว่ามอห้ว่าถ้าเาโหม้อนี่มัต้องม่ต้องอธิบายถ้าเราโมหม้อเมันสึงครอบครวครับ เราทุ่งหญ้าบางที่คนนี้งผุดขึ้นมาหนเพง่ส้นทีวาสามหนึ่งเผมเลยว่าเอ๊ะเป็นบพีหน้าคนหนึพงนจางมืนเสนทีีคนเแล้วมาทำวาสีได้ถึงลายนี่มันยไงผือว่ากรเลื่อลาบเอาเขาหน้าข้างหน้านี้เหมือเลยเลยกโลกโลกอุตสินางฉันเหมือนกแล้วเป็นบุพีหน้าบางย่านหนึ่งนะ อวา่ไปผู้ที่มาบอกป้องแน่ ๆ, ๆนี่แต่เป็นผู้คิดบอลเลยก็เลยบอผม เ, อเป็นผู้ที่หน้าบอกก็เลยผมมทํามูว่ากานทํามือดับนี้แล้วนี่ถ้ามสมาชิกได้ถึงขันนี้แล้วนี่นายที่ีการทีหน้าเนี่ยบอกอว่าเกิดคิดบอที่เขามาวายตั้งนี่อพิ่ ง, น ง, งนในวันเสาร์เลยก็เลยบอกคิดว่าคิดผมเมคิดผมนี่ผมเกิดบอ่งผู้วางเลยนี่ลูกวัดชะลูกเทียนปัญตีวัดชะน่ คือมันทิศได้วุ่ศศาสนาโรกวัรชาตดบเสียเฉียมฉันพูดได้ไว่าเมได้ไรทำไรอย่างเดียวทำคำว่าชวมาเป็นกันหมดเออพอมันถึงขั้นโลกอารมณชักเลยมันก็โกรแต่ว่าเป็นอะไจะบอกมันผมเคคิดตั้งใจที่ันเข้าที่เราววันนี้มาทางภูดะบอมจังหวัดีมก็เลยขั้นอย่้เเอามา หลวงพูดยิ่ง่าน่ามางทีบางทีถือตองบออรันเรว่าคิดเนี่ยคิดลานกว่เท่านคนนี่ยมาถืองพญาาเขามีออาไปนผมจะชิแต่วงพว่าพี่ชิใจเราเป็นเพียงพวไอ้ลงานาคเป็นแม่ขายังมือสือว่า้นจะป้ยของต่างหาลงพญานาคหลวงพญานาคก็ตั้งเงเพื่อกษาคนแต่เขาเพเป็นผู้ศีว่าในที่ชัจว่าจีบไปทางที่นบอกคเจ้าเปยงมันไปเลย มึงก็จะเเรื่อมหาลยเรื่องแม่มาไม่สามารถยผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงส่งเป็นผู้หญิงครับคือสี่บุลูกแพ่แล้วลูกแพร่ใ่ไหมผมา่ม่น้องแพร่ใครไปผมครับลูกขอปูุณมาแต่ก่นไปพิพากษานีครับยังลูกคือเครื่อง่จัดก็ยังยังนอนยังัอันจำ้เนี่ยถ้าการมีของได้เอา ความดีที่เขาทาไว้ปั๊ปผลการมาตรการมาฮว่าหมดอยก็ไม่หมดแล้วมันเป็นทางของวก่กอนเ